ความเกิดขึ้นของธรรมะทั้งหลายเหล่าใดย่อมปรากฏตั้งแต่ต้นธรรมะทั้งหลายเมื่อตั้งอยู่ย่อมดับไปย่อมปรากฏวิบากอาศัยกรรมกรรมอาศัยวิบากรูปอาศัยนามนามอาศัยรูปรูปเป็นไปตามชาตินามรูปเนี่ยนะชีวิตนั่นแหละเป็นไปตามชาติคือเกิดชราก็ติดตามพยาธิก็ครอบงำ ม, มรณะก็ห้ามหันตั้งอยู่ในทุกข์แล้วถามว่ามีอะไรมาต้านทานได้ไหมชีวิตเนี่ยเอาอะไรมาป้องกันมารักษาเลยนะ เอาอง ค, ครักมาดูแลหมดเลยได้ไหมไม่ได้ น, น, นะนะจึงไม่มีอะไรต้านทานไม่มีอะไรเป็นที่เร่นไม่มีอะไรเป็นสารณะไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งนี่จึงเรียกว่าทุกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นทุกเนี่ยเป็นภัยใหญ่เป็นเครื่องบีบคั้นเป็นเครื่องเสียดสีนะทุกสีตะลอดเวลาอันตรายเป็นเครื่องขัดข้องของโลกนั้นเพราะฉะนั้น่ะทุกจึงเป็นภัยใหญ่ของโลก สรุปคาถาที่กล่าวไปว่าโลกอันอววิชานี่หุ้มห่อไว้โลกไม่ปรากฏเพราะความตรณีเรากล่าวว่าตันหาเป็นเครื่องฉาบทาโลกทุกเป็นภายใหญ่ของโลกนั้นนี่นะมันเอาไปพิจารณาดูเลยนะใครไม่ถูกอัวิชาห่อไว้บ้างเว้นท่าิกษ์นี่นะแล้วก็ถูกความตรณีความประมาทเนี่ยทำให้ปกปิดหุ้มหอ่อจมอยู่ในทุกอย่างนีนะถูกตันหาเชื่อบเคลือบเอาไว้เนี่ยนะ อันหาชาบก็คือเคลือบอปไว้ตามทาวารต่างๆเนี่ยแล้วก็ประดังเข้ามาเลยความทุกข์เนี่ยะใครมั่งยากจนความทุกข์ไปถามดูเถอะไม่ค่อยมีไม่ทุกเรื่องงานก็เรื่องกินเนี่แหละไม่ทุกเรื่องกินก็เรื่องท้องไม่ทุกเรื่องท้องก็เรื่องลูกไม่เรื่องลูกก็เรื่องบ้านช่องห้องห้อมมันเอาจนเดือดร้อนจนได้นั่นแหละเอาแบบผู้การว่านะาไปหาเรื่องเก็บมาจนทุกข์จนได้นั่นแหละฝนไม่ตกก็ทุกแดดออกก็ทุกนนเนนะ ฮ่าจนทุกข์จนได้อะนรฝนไม่ตกก็ทุกข์เนี่ยนะตกอีกก็ทุกข์อีกเนี่ยนะใบไม้ร่วงก็ทุกข์ใบไม้ไม่ร่วงก็ทุกข์อีกนะทําไมไม่ไม่ตกอย่างเงี้ยนะเขายิ้มก็ทุกข์เข้าหัวเราะก็ทุกข์เขาร้องไห้ก็ยังทุกข์ไปอีกอ่ะนะขันเนี่ยนะมันเป็นยังไงไรไม่ทุกข์กายก็ทุกข์ใจไม่ทุกข์ใจก็ทุกข์กายนี่นแหละวนๆอยู่นั่นแหละ บางคนเนี่ยไปเล่นกีฬาป้องกันทุกกายทุกใจใช่ไหมแต่ถามว่ากายละ่นนะเล่นกีฬาใครไม่หอบบ้างกีฬาที่ไม่ค่อยหอบก็เนี่ยนั่งกีฬารับสมองทั้งหลายและเนี่ยนะไม่ค่อยหอบใช่ไหมทีนี้ท่านท่าชิตะก็รู้แล้วนะจริงจนระิงแล้วพระองค์ประกาศทุกขสัตว์นะทุกเป็นภัยใหญ่ของโลกคาถานี้ก็ประกาศอริยสัตว์ จริงๆแล้วโลกเนี่ยเศร้ามองด้วยอำนาจอาวิชาเศร้ามองด้วยความตนีความประมาทเศร้ามองด้วยตันหาอันนี้ก็คือประกาศถึงโหชีวิตมันมันอะไรจะทุกข์ปานนั้นแล้วก็ทุกข์เป็นภัยใหญ่ของโลกทั้งคาถาที่กล่าวไปเน้นประกาศทุกขสัต์เนี่นะ <c oughs> ชีวิตถาถามาอยางแง่น่าการุณาไหมล่ะใครที่ตกอยู่ในสภาพแบบนี้นะ ทีนี้ก็คําถามว่ากระแสทั้งหลายเหล่าใดย่อมไหลไปในอายตนะทั้งปวงอะไรเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายขอพระองค์จงตรัสบอกธรรมะเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายกระแสทั้งหลายอันอะไรย่อมปิดกั้นได้นนะคือถามว่าโอ้โหชีวิตเนี่ยโลกเนี่ยมันเศร้าหมองขนาดนี้ทุกมันเป็นภัยใหญ่ขนาดนี้จะกั้นมันได้ยังไง ถามถึงวิธีการละกิเลสทั้งที่เป็นปริยุทธานถามถึงการละกิเลสที่เป็นอนุสัยกิเลสเนี่ยนะท่านก็เลยถามคําถามต่อไปว่าปัญหาเหล่านี้จะแก้ได้อย่างไงว่ากันโดยสรรับก่อนนะว่ากระแสทั้งหลายย่อมไหลไปในอายตนะทั้งปวงเนี่ยนะว่ากระแสคือกระแสตัณหากระแสทิฏฐิกระแสกิเลสกระแสทุจริตกระแสอวิชชากระแสทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยไหลไปในอายตนะทั้งปวง ก็คือสวรรค์เนี่ยไหลไปหลังไปเลื่อนไปย่อมเป็นไปคือไหลไปไหลหลังไหลไปเลื่อนไปย่อมเป็นไปในรูปทางตาตันหาเนี่ยไหลอันะคือกิเลสเนี่ยตันหาทิฐิกิเลสทูเจริญอวิชชาเนี่ยไหลไปทวารตาเพื่อเห็นรูปไหลไปทวารหูเพื่อฟังเสียงไหลไปทวารจมูกเพื่อรู้กลิ่นไหลไปทวารลิ้นเพื่อรู้รสเนี่ยนะไหลไปทวารกายเพื่อรู้โภทะพระเพราะฉะนั้นย่อมหลังไหล นะย่อมไหลไปหลังไปเลื่อนไปเป็นไปในธรรมารมณ์ทางใจนะรูปตันหาก็ย่อมหลังไหลไปเลื mond, generate, ่อนไปทางตาตันหาในเสียงเนี่ยนะก็ไหลไปในทวารหูตันหาทางจมูกอ่ะนะคือขันธะตันหาตันหาในกลิ่นก็ไหลไปในทวารจมูกตันหาในรสก็ไหลไปในทวารลิ้นโทธาภาตันหาก็ไหลไปทวารกายธรรมะตันหาก็ไหลไปทวารใจเพราะฉะนั้นกระแสทั้งหลายย่อมไหลไปในอายตนะทั้งปว ถามวัฒวานไหนม้างตันหาไม่ไหลไปบ้างหรือตำแหน่งไหนมั่งในร่างกายที่ตันหาไม่ไหลผ่านไปเนี่ยนะไม่กระราบไปเนี่ยนะยากคําว่าอะไรเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายเนี่ยนะก็เป็นการถามถึงวิธีละปริยุท ธ, ธานกิเลสเหล่านั้นเนี่ยนะว่าอะไรเป็นเครื่องห้ามเครื่องป้องกันเครื่องรักษาเครื่องคุ้มครองกระแสทั้งหลายขอพระองค์ตรัส บ, บอกธรรมะเครื่องกั้นกระแสทั้งหลาย ขอพระองค์เนี่ยจงตรัสจงบอกสแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทําให้ตื้นซึ่งเครื่องกัน้นซึ่งเครื่องห้ามเครื่องป้องกันเครื่องรักษาเครื่องคุ้มครองกระแสะทั้งหลายทํายังไงนะกิเลสมันจะลดลดลงไปอ่ะนะกิเลสมันกุมรุมเหลือเกินตอเ น, นี้นะลดมันได้ยังไงนะเหมือนกับว่าไข้มันขึ้นเหลือเกินเนี่ยนะลดไข้ได้ยังไงคําถามถ้าเปรียบเปรียบแบบโรคก็คือถามคําถามว่าลดไข้ได้ยังไงคําถามแรกคําถามที่สองว่า แล้วโรคเนี่ยหายได้อย่างไรคําถามกันนะสองคำถามลักษณะเขานะที่บอกว่าอะไรเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายก็ถามเหมือนกับว่าลดไข้ได้ยังไงกระแสทั้งหลายย่อมปิดกั้นด้วยอะไรนั้นก็คือตัดโรคได้ยังไงละโรคเลยได้ยังไงที่กล่าวไปก็คือเน้นการตัดกระแสก่อน ก, ก็นเหมือนกับว่าลดไข้นั่นเองคําว่ากระแสทั้งหลายอันอะไรย่อมปิดกัน้นอันนี้ก็เหมือนกับถามว่า จะหายโรคได้เพราะอะไรทํายังไงจึง จ, งจะหายจากโรคอ่ะนะความว่ากระแสทั้งหลายอันอะไรย่อมปิดบังไว้ ย, ย่อมตัดขาดย่อมไม่ไหลไปไม่หลังไปไม่เลื่อนไปย่อมไม่เป็นไปจึงเรียกว่ากระแสทั้งหลายอันอะไรย่อมปิดได้สรุปคําถามก็คือว่ากระแสทั้งหลายย่อมไหลไปในอายตนะทั้งปวงอะไรเป็นเครื่องกัน้นกระแสทั้งหลายขอพระองค์จงตรัสบอกธรรมะเครื่องกัน้นกระแสทั้งหลายกระแสทั้งหลายอันอะไรย่อมปิดกั้นได้ ถามถึงวิธีละปริยุทธานความกลุ่มรุมกิเลสกับถามถึงจละอนุสัยกิเลสละบาปอากุศลนั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสตอบว่าดูก่อนอนะชิตะกระแสะเหล่าใดในโลกสติเป็นเครื่องกั้นกระแสะเหล่านั้นเรากล่าวธรรมะเครื่องกั้นกระแสะทั้งหลายกระแสะเหล่านั้นอันปัญญาย่อมปิดกั้นได้ จิงคําว่ากระแสเนี่ยก็เป็นการประกาศสมุทัยสัตว์เนี่ยนะกระแสเหล่านั้นปิดปัญญาปิดกัน้นอันนี้ก็ประกาศมรรคสัตว์คำว่ากระแสเหล่าใดในโลกก็คือกระแสเหล่านี้ใดเนี่ยนะกระแสห้าอย่างคือเราบอกเล่าแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจําแนกทําให้ตื่นประกาศแล้วไม่ว่าจะเป็นกระแสตันหากระแสทีทีกระแสกิเลสกระแสทุจริตกระแสอวิชชากระแสห้าอย่างเหล่านี้ในโลกะนะ ก็คือพวกเราทั้งหลายนี่แหละกระแสะทั้งในอบายโลกมนุษยโลกเทวโลกขันธาตุอายตนะโลกว่ากระแสะเหล่าใดในโลกเนี่ยนะสติเป็นเครื่องกัน้นกระแสะเหล่านั้นสติคืออะไรก็คือความระลึกความตามระลึกความระลึกเฉพาะสติความระลึกความทรงความไม่เลื่อนลอยความไม่หลงลืมสติสตินสีสติสัมโพธชงเอกายนมัตเนี่ยนะคือนับเนื่องในโพธิปักฉธรรมเนี่ยชื่อว่าสติ สตินี่เป็นเครื่องกั้นเครื่องห้ามเครื่องป้องกันเครื่องรักษาเครื่องคุ้มครองเพราะฉะนั้นสตินี้เป็นเครื่องกั้นกระแสสติในที่นี้เนี่ยหมายถึงสติที่เกิดร่วมกับวิปัสสนาสติที่ประกอบกับวิปัสสนานี่แหละสมถาวิปัสสนาเนี่แหละเป็นเครื่องละปริยุทธันที่จะไม่ให้กิเลสมันกลุ่มรวมได้เนี่ยก็ต้องอาศัยสมถาวิปัสสนานี่นะการเจริญสติเจริญสมถาวิปัสสนานี่แหละ คำว่าเราย่อมกล่าวธรรมะเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายก็คื อ, คอเราย่อมกล่าวบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทําให้เตือนประกาศซึ่งธรรมะเป็นเครื่องกั้นเครื่องห้ามเครื่องป้องกันเครื่องรักษาเครื่องคุ้มครองเนี่ยนะนั่นคำว่าปัญญาปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องกั้นกระแสเนี่ยนะปัญญาปัญญินรีปัญญา ว่าปัญญาคือความรู้ชัดเนี่ยนะกิริยาที่รู้ชัดความเลือกเฟ้นความเลือกเฟ้นทั่วความกําหนดพร้อมความเข้าไปกําหนดความเข้าไปกําหนดเฉพาะความเป็นบัณฑิตความเป็นผู้ฉลาดความเป็นผู้ละเอียดอ่อนปัญญาเป็นเครื่องจําแนกความคิดความพิจารณาปัญญาดังแผ่นดินความปรีชาปัญญาอันน้อมไปความเห็นแจ้งความรู้ทั่วพร้อมปัญญาอัน จะแทงเหมือนประตักปัญญินทรีปัญญาภะละปัญญาเป็นดังศาสตราปัญญาเป็นดังปราศาสปัญญาเหมือนแสงสว่างปัญญาเพียงรัศมีเหมือนรัศมีนี่นะปัญญาเหมือนประทีปัญญาเหมือนรัตนะความไม่หลงความเลือกเฟ้นทำสัมมาทิฏฐินี้เรียกว่าปัญญาปัญญานี่แหละเป็นเครื่องกั้นกระแสหรือกระแสเหล่านี้อันปัญญาเนี่ยปิดกั้นได้ปัญญาที่กล่าวเนี่ยนะปัญญามันเกิดขึ้นรู้อะไรจึงกั้นกระแสได้ ก็คือปัญญาเนี่ยย่อมปิดกั้นได้ย่อมตัดขาดไม่ไหลไปไม่หลังไปไม่เลื่อนไปไม่เป็นไปกระแสะเหล่านี้อันปัญญาของบุคคลผู้เห็นว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงย่อมปิดกั้นไดน้ผู้เจริญวิปัสสนาเนี่ยนะเห็นสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงน ะ, นะย่อมเบื่อหน่ายในวัฏฏทุกความเบื่อหน่ายในวัฏฏทุกขนะ์นั่นแหละจะทําให้ปิดกัน้นกระแสะตันหาอวิชากิเลสทุจริตที่กล่าวไปได้หรือกระแสะของ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 อุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติเป็นปัจจัยจึงมีชารามรณะเนี่นะท่านปัญญาที่รอบรู้ดังที่กล่าวไปก็สามารถปิดกั้นได้หรือว่ากะระแสเหล่านี้อันปัญญาของผู้เห็นว่าเพราะอาวิชชาดับสังขารจึงดับสังขารดับวิญญาจึงดับวิญญาณ ด, ดับนามรูปจึงดับนามรูปดับสลายตนะจึงดับ ภาษาลายตนะดับภาษาก็ดับเพราะภาษาดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตันหาจึงดับเพราะตันหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับย่อมปิดกั้นได้ถ้ามีปัญญารอบรู้อย่างนี้ก็ปิดกั้นได้หรือว่ากระแสเหล่านี้อันปัญญาของผู้รู้เห็นว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามไม่ีปฏิปทาย่อมปิดกั้นได้ ผู้เห็นอริยสัจก็ปิดกั้นได้หรือผู้ที่เห็นอริยสัจก็สามารถประมวลวันนี้อาสวะนี้เหตุเกิดอาสวะนี้ความดับอาสวะนี้ปฏิปทาให้ถึงความดับอาสวะก็ปิดกั้นได้หรือปัญญาของผู้ที่รู้ยิ่งอภิญยยะเนี่ยนะคือรู้ด้วยยาตะปริญญากาหนดรู้ด้วยตีรณะปริญญาละด้วยปหานะปริญญาหรือเจริญหรือทำให้แจ้งก็ปิดกั้นได้ถ้ามีปัญญาดังกล่าวไป หรือปัญญาของผู้รู้เห็นความเกิดความดับอสส า, าธาอาทีนวะนิสรณะของภาษายตนาหก็ปิดกั้นกระแสที่กล่าวไปได้หรือผู้มีปัญญารู้เหตุเกิดความดับอสสาธ า, าอาทีนวะนิสรณะของอุปาทานขันห้าก็ปิดกั้นได้หรือปัญญาของผู้รู้เห็นเหตุเกิดความดับอสสาธาอาทีนวะนิสรณะของมหาภูตรูปสี่ก็ปิดกั้นได้หรือผู้ที่มีปัญญา ของผู้รู้เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาก็ย่อมปิดย่อมปกปิดไม่ไหลไปไม่หลังไปไม่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นกระแสเหล่านี้อันปัญญาย่อมปิดกั้นได้อ น, นี้เน้นที่มรรคปัญญานะมรรคปัญญานี่แหละจึงจะปิดกั้นกระแสละกระแสตัดกระแสได้อย่างเด็ดขาด ที่บอกว่าสติเป็นเครื่องกั้นกระแสเนี่ยนะหมายถึงสติที่เกิดร่วมกับวิปัสสนาก็หมายถึงสมถาวิปัสสนาเนี่ยนะห้ามความกลุ่มรุมไม่ให้กระแสอวิชชาตันหานี่มันไหลท่วมทับขณะเดียวกันถ้าจะละอวิชชาตันหาได้เด็ดขาดก็ต้องอ บ, บรมอริยมรดคด้วยการรู้เห็นธรรมะดังที่กล่าวไปเพราะฉะนั้นสรุปว่ากระแสเหล่าใดในโลกสติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นเรากล่าวธรรมะเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นกระแสเหล่านั้นอันปัญญาย่อมปิดกั้นได้ ก็เหมือนถ้าไข่นะไข้ขึ้นอ่ะวิธีลดไข้อ่ะก็สติก็ถ้าเปรียบเทียบกับ ก, บการรักษาโรค ก, ก็เหมือนการลดไข้นั่นเองส่วนปัญญาในที่นี้ก็คือเหมือนกับการกําจัดสมุธฐานแห่งโรคภัยได้เด็ดขาดอนนั้นก็หายโรคอ่ะนะเป็นตัวยาที่ไปกําจัดโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างเด็ดขาด <c oughs> มันก็ถามมาัตริสัแล้วนะมัตริย์ก็ได้ตอบไปเรียบร้อยแล้วว่าสติสัม สติปัญญานะถ้าจะปฏิบัติให้ให้พ้นจากวัตุวัตตะตัดกระแสแห่งวัตตะได้ก็ต้องอาศัยสติปัญญาสติก็สัมมาสติปัญญาก็สัมมาทิฏฐินะเเน้นไยที่ทระดับอริยมรรคนั่นแหละจึงจะละได้เด็ดขาด